ที่เราทำวัดสวดมนต์โมเสกรู่สังเกตใจของเราบ้างหรือเปล่านะว่ามันอยู่กับการสวดมนต์หรือว่าใจเนี่ยมันวิ่งออกไปที่นั่นที่นี่ให้เราก็คงจะถ้าเราสังเกตก็จะพบว่ามันเล่นไปโน่นวิ่งไปนี่เนี่ยเรียกว่าเกือบตลอด30สบนาทีที่ทำว่าสวดมนต์เลยก็ได้ บางทีก่อนนึกไปถึงเรื่องงานบางทีก็นึกไปถึงลูกนึกถึงคนรักนึกถึงพ่อแม่หรือบางทีก็นึกถึงที่เที่ยวนึกถึงเหตุการณ์ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายปีก่อนใจเราเป็นอย่างเงี้ยนะทั้งๆที่เราจะพยายามควบคุมพยายาม กำกับบังคับติดให้อยู่กับการสวดมนต์แต่เราก็จะพบว่าใจเนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับที่หรืออยู่กับการทวัดสวดมนต์อย่างที่เราปรารถนามันบังคับได้ยากนะหรือว่าบังคับไม่ได้เลยก็ว่าได้เราอย่างเราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่กับการฟัง คำบรรยายของตามมาเนี้ยหรือว่าตั้งใจว่าจะให้จิตมาอยู่กับลมหายใจสักห้านาทีนี้เราก็จะพบว่ามันไม่ถึงนาทีมก็ไปซะแล้วนะคิดโน่นคิดนี่ทั้งที่เราพยายามที่จะบังคับจิตแต่ว่าเราก็จะพบว่ามันไม่เป็นผลเท่าไหร่ ใจมันก็ยังวิ่งออกไปที่โน่นที่นี่บางทีก็หลายไปอดีตบ้างลอยไปนาคตบ้างหรือส่งออกไปนอกตัวบ้างชีงที่ไม่ยอมอยู่ในคําสั่งของเราเลยแม้กระทั่งเนี่ยในอีกสาสิบวินาทีข้างหน้าเนี่ยหรือหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยวนะ่ามันจะคิดอะไร เดีเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆนะหรือว่าอยู่คนเดียวอยู่โดยที่ไม่ได้ทำอะไรในขณะที่เราฟังคำบรรยายนี่ใจอาจจะจดจ่ออยู่กับเสียงที่ได้ยินมันก็จะช่วยทาให้ใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ว่างๆอยู่คนเดียวหรือแม้จะไม่อยู่คนเดียวนะอยู่หลายคน ในศาลาเนี่ยแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษาจใจสงบแต่ว่าเดี๋ยวไม่ถึงนาทีมันก็คิดอีกแล้วแล้วสิ่งที่คิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะว่ามันจะคิดเรื่องอะไรอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเพราะถ้ามันเป็นของเราเนี่ยนะมันก็ต้องบังคับได้แต่ใจนี้บังคับไม่ได้เลยถ้าเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องรู้เสียนะว่าอีกหนึ่งนาทีหรืออีกห้านาทีข้างห น, น้ามันจะคิดอะไรหรือว่าถ้าจะห้ามไม่ให้มันคิดนะ มันก็ต้องไม่คิดนะอย่างที่เราต้องการแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไหลไปลอยไปอย่างเดียวนะถึงเวลาก็กลับมานะมันไม่ใช่ว่าใจนี้จะไหลตเตลิดเปิดเปิงไปนั่นก็เป็นธรรมดาของมันแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่ว่าไหลไปตลอด ไม่ใช่มันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะจะสุดท้ายก็กลับมากลับมาคือกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ก, บกนกลับมาอยู่กับการสวดมนต์กลับมาอยู่กับการฟังธรรมกลับมาที่หอไตรเนี่ยมันไปมันก็ไม่บอกเราล่วงหน้านะหรือไม่ให้สัญญาณมันจะไปก็ไปของมันถึงเราจะกลับก็กลับมาของมันเหมือนกันนะ เพียงแต่เหตุปัจจัยเนี่ยของการไปและการกลับก็อาจจะต่างกันปัจจัยที่ทําให้มันไปก็คือความหลงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้มันกลับมาคือสติหรือความรู้ตัวและสติมันก็ทํางานของเขาเองนะไม่ใช่ว่าเราจะจะสั่งให้จิตกลับมาได้ถ้าสติเราอ่อน มันก็ไม่กลับมา ง, ง่ายๆแต่ว่าพวกเราที่นี้เนี่ยทุกคนก็มีสติกันทั้งนั้นแหละไม่มากก็ น, น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะไปด้วยความหลงแต่ไม่ช้า ก, ก็เร็วเนี่ยสติก็จะทำงานพาใจที่หลงใจที่ลอยใจที่ฟุ้งนี่กลับมาทำให้เรา ทำว่าสวดมนต์ได้ต่อเนื่องหรือว่าฟังคำบรรยายได้รู้เรื่องแต่แม้ว่าใจเนี่ยมันจะกลับมาหลังจากที่มันท่องเที่ยวไปโน่นมานี่เนี่ยแมยังนี้ไม่พ้นความจริงว่าใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเราก็เรียกว่าเป็นอนัตตา ความคิดก็ดีอารมณ์ก็ดีนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับบัญชาได้แม้แต่ความโกรธของคนที่เจ้าอารมณ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวนี้จะบังคับได้นะเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษา อาจารย์เซนท่านหนึ่งอาจารย์ชื่อบังไข่นะมันเป็นอาจารย์ที่มีชื่อมากมาปรึกษาว่าเนี่ยผมเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โกรธมีความโกรธที่ควบคุมไม่ได้เลยอาจารย์จะทำยังไงดีอาจารย์ก็ทำทีนั่งคิดนะแล้วก็เปลยขึ้นมาเออแปลกดีนะ แปลกดีนะแล้วก็เพราะว่าไหนเธอแสดงความโกวธให้ฉันดูซิลูกศิษย์บอกว่าแสดงไม่ได้ตอนนี้จะให้ความโกรธมันแสดงตัวมาตอนนี้ไม่ได้อาจารย์ก็เลยถามแล้วเมื่อไหร่นะถึงจะแสดงความโกวธให้ฉันดูได้ตอบไม่ได้นะพราะจู่ๆมันก็มามาแบบไม่คิดไม่คาดฝัน อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยความโกรธนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้ของเธอนะมันไม่ใช่ตัวเธอนะแล้วก็เธอไม่ได้มีความโกรธมาตั้งแต่เกิดพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ความโกรธนี่แก่เธอนะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยความโกรธนี่มันมันไม่ได้อยู่อำนาจของเธอแต่มันขึ้นอยู่หเหตุปัจจัยหลายอย่าง ความเป็นอนัตตาของอารมณ์เช่นความโกรธก็หมาย า, ามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราอย่างเช่นเราตอนนี้เราจะให้เราโกรธเนี่ยนะเราก็โกรธไม่ได้หรอกอย่างมากก็แค่เสียแ้งว่าโกรธนะจนกว่าจะนึกถึงเหตุการณ์อะไรสักอย่าง ที่ทำให้เราเกิดโทสะในอดีตหรือยังทั้งขาใจอยู่ในปัจจุบันพอนึกถึงคนที่เราโกรธพอนึกถึงคนที่เราเกลียดเนี่ยมันถึงจะเกิดความโกรธขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะสั่งให้มันเกิดขึ้นมาได้ความเศร้าความดีใจก็เหมือนกันจะบอกให้ คนที่อารมณ์ดีแสดงความดีใจออกมาตอนนี้เขาก็ทําไม่ได้นะจนกว่าจะนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเราในตอนนั้นเพื่อจะเห็นได้เห็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานถึงจะดีใจมันไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เสกสรรบันดาลขึ้นมาได้ และเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ธรรมชาติของเราก็คงเหมือนกับไม้เนี่ยถ้าเราเอามาสีกันแรงๆเนี่ยนานๆก็จะเกิดไฟขึ้นแต่เราก็บอกไม่ได้ว่าไฟเนี่ยมันอยู่ในเนื้อไม้มันเพียงแค่อาศัยไม้เป็นที่เกิดและที่มันเกิดได้ก็เพราะอะไรเพราะการขัดสีของไม้ สองชิ้นความโกรธก็เหมือนกันนะ้นก็เกิดจากเหตุปัจจัยถ้าไม่มีอะไรมายั่วยุเราต่อหน้าก็ต้องอาศัยการคิดนึกทบทวนหรือนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์หรือการกระทำคำพูดที่ทำให้เราไม่พอใจอันนี้เรียกว่าความโกรธไม่ใช่เราแต่ว่ามันอาศัยใจเราเป็นที่เกิด แล้วก็มันก็ได้เป็นธรรมชาติของใจแท้ๆโดยอย่างที่อาจารย์บอกลูกศิษย์ให้ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาญได้ไมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายเหตุปจัจจัยบางอย่างเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้เช่นถ้าเราตั้งใจนึกถึง เหตุการณ์ที่ทําให้เราโศกสลดเราก็จะเกิดความหดหูหอเหี่ยวขึ้นมาแต่บางครายความคิดนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เผลอคิดมาได้แบบไม่มีปีไม่มีขุยเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทําให้โศกเศร้าอาจจะเป็นความพลาดพลาดสูญเสียอาจจะเป็นความผิดพลาดในอดีตที่ทํากับผู้มีพระคุณ ก็คงคล้ายความฝันนะความฝันเนี่ยเราก็ส่วนคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถบังคับความฝันได้นะมันจะฝันไปได้ร้อยแปดล้วความฝันนี่มันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งด้วยนะอย่างที่คนโบราณว่าเนี่ยกลางคืนฝันกลางวันฟุ้งเนี่ยแล้วถ้าความฝันเราบังคับได้เราก็ฝันดีได้ทุกคืนเนี่ย แต่ทำไมบางคือเราฝันร้ายไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่ามันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้หรือว่าสั่งได้อย่างแล้วก็ตามเนี่ยจิตนี้มันก็ฝึกได้นะมันฝึกได้เหมือนกับร่างกายเนี่ยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็บังคับมันไม่ได้จะสั่งให้มันไม่ป่วยสั่งไม่ได้ จะสั่ให้มันไม่ปวดโน่นปวดนี่ก็สั่งไม่ได้แต่ว่าเราฝึกได้นะฝึกให้มันแข็งแรงเช่นออกกําลังกายบ่อยๆพักผ่อนเป็นเวลาหรือว่ากินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอันนี้คือเราสร้างอยู่สร้างปัจจัยให้กับร่างกายากกาแล้วจิตใจก็เหมือนกันเราก็สามารถสร้างอยู่สร้างปัจจัยได้ อยู่ที่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่อย่างเช่นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยนะก็เพราะว่าเขาปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำใจหรือเขาชอบคิดนะถึงเรื่องที่มันทำให้เกิดความหงุดหงิดขุนมัวมันคิดบ่อยๆคิด บ, บ่อยๆ อ, อย่างที่เขาเรียกว่าคิดลบเนี่ยมันก็ทาให้เป็นกายเป็นคนเจ้าโธสะได้อยู่คนที่ชอบคิดแต่เรื่อง พัดพาดสูญเสียที่ถึงความยากลำบากในอดีตมันก็ทำให้กลายเป็นคนที่เศร้าซ้อยน้อยเนื้อต่ำใจจงกระทั้งกลายเป็นนิสัยในขณะที่คนที่ชอบคิดในทางที่เป็นบวกนะมันก็จะกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีเขาก็จะ เห็นหรือรับรู้หรือเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่มันทำให้จิตใจสดชื่นเบิกบานหรือผ่องใสหรือมีความหวังบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเขาว่าเกิดขึ้นเองหมายถึงว่าโดยไม่ได้ตั้งใจบ mm hmm. คนที่เป็นเจ้าอารมณ์เขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่ว่าการที่เขาปล่อยให้ความหลงมันครอบงาก็เลย กลายเป็นการสะสมโทสะขึ้นมาแต่ทางตรงข้ามถ้ากว่าเราฝึกนะช่รู้จักแผ่เมตตาใจก็จะอ่อนโยนนิ่มนวลหรือว่ามีความร่มรุม น, น้อยลงกลายเป็นคนอารมณ์ดีได้ง่ายขึ้น หรือฝึกสติเนี่ยฝึกสตินะฝึกสติให้มีความระลึกได้อยู่บ่อยๆมันก็จะทำให้เป็นคนที่มีความรู้สึกตัวได้ต่อเนื่องแต่การฝึกสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะจ ะ, จะบังคับได้นะมันต้องจริงๆแล้วก็คือต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยสติทำงาน อย่างเช่นที่ครูบาจาัยเขาแนะนำวิธีการเจริญสติเริ่มตั้งแต่การาวางอิริยาบถหรือใช้อิริยาบถเพื่อการเจริญสติรวมทั้งการเปิดโอกาสให้สติได้ทำงานอันนี้ก็สำคัญนะการเปิดโอกาสสติได้ทางานโดยที่เราไม่ต้องไปทำเองนะแต่ให้สติเขาทำงานเพราะจริงๆสติก็ทำงานอยู่แล้วนะ ทำงานเองอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่พูดตอนต้นๆนวันเนี่ยเวลาใจเรามันไหลลอยไปไปอดีตบ้างลอยไปนาคบ้างแต่ประเดี๋ยวเดียวก็กลับมาแล้วไอ้ที่ไหลไปเนี่ยเพราะความหลงแต่ที่กลับมากเพราะสติคือความลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ลึกไดว่ากำลังสวมดมนต์แล้วลึกได้ว่ากำลังฟังธรรมแล้วลึกได้ว่ากําลังเดินจงกรมแล้วลึกได้ว่ากําลังถูฟันกินข้าวอาบน้ําก็กลับมา เขากลับมาเองนะโดยที่อาจจะเพราะวเราไม่ได้ตั้งใจนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าการปฏิบัติในรูปแบบก็ช่วยทำให้เป็นการสร้างโอกาสให้สติได้ทำงานแต่การที่สติจะทางานเนี่ยมันก็หมายความว่าต้องเรียนรู้ที่จะเฝ้าดูความเป็นไปของจิต โดยที่ไม่พยายามไปบังคับควบคุมมันเวลาพูดถึงการทำกรรมฐานนี่หลายคนก็นึกถึงการบังคับควบคุมจิตโดยเพาะบังคับจิตให้สงบนะบังคับจิตให้นิ่งแต่ก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จริงสิ่งที่ง่ายกว่าเนี่ยก็คือการที่มารู้หรือเห็นมัน ระหว่างเปรียเทียบระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยกับการที่มารู้ทันจิต ท, ที่ไม่สงบที่ไม่นิ่งเนี่ยนะถามว่าอะไรนี่ง่ายกว่ากันระหว่างการบังคับจิตให้นิ่งหรือฝึกจิตให้สงบกับการรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งจิต ท, ที่ไม่สงบเนี่ยอะไรง่ายกว่ากันนะอย่างหลังนี่มันง่ายกว่านะ และนี่แหละคือหลักของการเจริญสติลเลยพอที่นี่เนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องการไป บ, บังคับจิตให้นิ่งฝึกจิตให้สงบแต่ว่าเราจะปล่อยให้จิตมันเป็นธรรมชาติซึ่งก็หมายความว่ามันอาจจะไม่สงบอาจจะไม่นิ่งอาจจะฟุง้งแต่เราก็ยังทำอะไรก็แค่รู้หรือดูมันเฉย อาจารย์โกวิดเนี่ยเคมนบรรณานีนนน่่นเคยพูดว่านในการปฏิบัติภาวนานเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่อนุ ญ, ญาตให้กระแสะขึ้นความคิดมันไหลไปบางครั้งอาจจะสงบบางครั้งจะปันป่วย ด, ด้วยคลื่นอารมณ์ก็ให้เป็นเรื่องของมันไปให้เป็นเรื่องของมันไป หน้าจริงเราคือก็แค่ดูมันเฉยๆซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านะคือเราไม่ได้บังคับอะไรมันเลยเึงแค่ดูเามือนก็ทําทาจิตให้ให้ว่างเปล่าเหมือนกับสาราเนี่ยหลังเนี้ยลมมันพัดมาแล้วมันก็พัดไปกระแสลมที่เข้ามาไม่กักมันเอาไว้ไม่บังคับควบคุมมันมันจะมาก็มามันจะ มันถึงเวลามันจะไปก็ไปก็แค่ดูมันเฉยๆกระแสลมนี่มันก็มาทางนี้บ้างมาทางโน้นบ้างถุกท่านก็ไปไม่กักมันเอาไว้ไม่บังคับควบคุมมันจา้นไหนก็ฉันนั้นเนี่ยเราก็ทํากับกระแสความคิดเนี่ยซึ่งมันมาแล้วก็ไปอย่างเดียวกันก็คือว่าก็แค่ดูมันเฉยๆไม่มีการ ควบคูม่ไม่มีการตัดสินว่าอย่างนี้ดีฉันชอบอย่างนี้ไม่ดีฉันไม่เอาไม่แค่ความเครียงเดียวอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ที่มันมันเกิดขึ้นซึ่งมันก็มีหลายแบบบางทีมันก็ทําให้เกิดความปั่นป่วนในจิตใจก็แค่ดูมาเฉยปล่อยให้เป็นเรื่องของมันและจริงถ้าที่มันปั่นป่วนนี่ก็เพราะว่าไอ้ความหลง หลงคิดหลงปรุงก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกที่จะมาดูมันมันก็คือการช่วยเสริมช่วยสร้างความสึกตัวให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อความสึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้อารมณ์ที่สร้างความปั่นปว่วนไม่ว่าจะเป็นความโกรธโลภราคะเนี่ยมัน เบาบางหรือจางคลายไปเพราะว่ามันอยู่ได้หรือเกิดขึ้นได้เพราะความหลงเราไม่ต้องทำอะไรกับอารมณ์เา่านี้เราเพียงแต่ว่าทำให้ความรู้สึกตัวเข้ามาแทนที่ความหลงพอความรู้สึกตัวมาแทนที่ความหลงอารมณ์พวกนี้มันก็ดับไปเหมือนไฟที่ขาดอากาศขาดออกซิเจนมันก็มอดดับไปเองแต่ความรู้สึกตัวนี่เรา ก็บังคับไม่ได้เราอยากจะให้มีก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งให้มีได้เราก็ต้องสร้างโอกาสสร้างโอกาสให้กับสติเสริากาสให้กับความรู้สึกตัวและการปฏิบัติและการพาตัวมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นเรามากมันก็ช่วยทําให้ความรู้สึกตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันวุ่นวาย มีสิ่งเร้ามากมายเนี่ยมันก็รังแต่จะเกิดความหลงขึ้นมาแล้วถ้าความหลงเกิดขึ้นมากๆนี่ความสึกตัวนี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ mm hmm. เรียกว่างงหัวไม่ขึ้นเลยนะบางครั้งเนี่ยการปล่อยตัวปล่อยใจในสิ่งแวดล้อนที่มีสิ่งเร้าเยอะทั้งยุ่ยยุ่แล้วก็เย้ายวนเนี่ยมันก็ทําให้ความหลง มีกำลังแรงกล้าความสึกตัวสติก็เลยงหัวไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพาตัวมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีสิ่งร่ดเร้ายั่ยวนอย่างเช่นที่นี่หรือที่ไหนก็ได้ที่มันที่มันเงียบสงบอยู่บ้างแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองในการทำ ไอเดีบซ้ำๆกันโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพราะถ้าขืนใช้ความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็แยกไม่ออกนะว่าความคิดไหนที่มันเป็นความตั้งใจคิดความคิดไหนเป็นความลักคิดและแม้จะเป็นความตั้งใจคิดแต่ว่าเผลอปุ๊บเดียวเนี่ยมันก็กลายเป็นความลักคิดไปซะแล้วหรือว่าถูกความหลงเข้ามา หันเหปรุงแต่งเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยาบางทีเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องธรรมะทีแรกจตั้งใจคิดนะแต่ไปเดี๋ยวเดียวเนี่ยมันมันคิดฟุ้งปรุงไปเลยคิดวกคิดวนบางทีคิดเรื่องอื่นนี่เรียกว่าไอ้จากความตั้งใจคิดมันถูกความลักคิดนี่มันเล่นงานไปซะแล้ว เม้นถังที่ดีนี่ก็ไม่ต้องหาเรื่องคิดแล้วก็ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเอาผิดเอาถูกกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนอกตัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคนอื่นเขาพูดเขาคุยกันก็ไม่ปฏิบัติก็ช่างเขาไม่เอาถูกเอาผิดกับเขาเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในหัวและความวิพากษ์วิจารณ์ในหัวนี่ก็กลายเป็นความเผลอกลายเป็นความหลง นะก็ทําให้สติความรู้สึกตัวที่ควรจะเกิดที่ควรจะเติบโตมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะฉั้นหลวงพ่อเขียนในจึงบอกว่าเนี่ยอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับอะไรไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราคนพูดคุยเสียงหมาเหา่าหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเพราะาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันยังก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ว้าวุ่น มนโผไม่ได้ยังไงความคิดเนี่ยนะมันกบ ด, ดานมาต้องหลายวันละบางทีหลายอาทิตย์นะอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วงั้งที่เราก็นอนเต็มที่แต่มันก็ยังง่วงซึมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์บางอย่างมันมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่มีเปี๋ไม่มีครุยบางทีก็เศร้าบางทีก็ห่อเหี่ยว จริมันมีเหตุนะมีเหตุมีปัจจัยแต่เพีงแต่เราอธิบายไม่ได้เพีงแต่เราไม่รู้เหตุปัจจัยนั่นเองแลวยิ่งเราไปเอาผิดเอาถูกกันมาว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงความคิดนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งยิ่งพาเราเข้ารถเข้าผงหลวงพ่อท่านก็เลยบอกนี่ไม่ต้องเอาผิดเอาถูกกับมันนะไม่ต้องหาคาอธิบายหน้าที่งเราคือรู้แค่รู้เฉย รู้อย่างที่เมื่อก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอนก้วก็สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มีความคิดไหลผ่านเข้ามาก็ดูมันจนกว่าทั้งมันไปผมไม่แต่ดูกระแสน้ำ น, นะดูกระแสน้ํ า, นาเรานั่งอยู่เรียงต่นลแล้วก็ดูกระแสน้ํ า, นาบางทีมันก็ไหลแรงบางทีมันก็ไหลเอื่อยเอื่บางทีมันก็ขุ่นบางทีมันก็ใสไม่ใช่หน้าที่เราจะไปวิพาควิจารณ์กระแสน้ำแล้วเราก็ ไม่สามารถบังคับควบคุมกระแสน้ําด้วยนะมันจะไหลแรงมันจะไหลเอื่อยเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นต้องควบคุมเราถึงขืน ค, ควบคุมเราก็ทุกเปล่าเปล่าเพราะจะไม่มีทางสําเร็จหน้าที่เราคือดูมันหรือบางทีท่านก็เปรียบมันก็ดูรถนะที่มันเล่นผ่านเนี่ยโดยเฉพาะช่งนี้เนี่ยถนนบางสายนี้รถมันแล่นผ่านกนะันเป็นสายเลยเราก็ดูมันไม่ต้องไปทําหน้าที่ห้ามรถนะ รถมันจะวิ่งก็ก็ดูมันวิ่งไปผ่านตอนหน้ารถคันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องไปห้ามรถคันไหนชอบก็ไม่ต้องกระโดดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราไม่จะทำย่ายกับความคิดนะความคิดบางอย่างเราพยายามห้ามแต่ก็ไม่สำเร็จความคิดบางอย่างเราก็อยากจะกระโจนขึ้นเพราะมันชวนให้เพลิดเพลินแต่ว่าการเจริญสติเราไม่ทำย่ายเรา แ, แค่ดูเฉยฉนะรถมันจะมากหรือน้อย มันจะดีจะสวยหรือไม่สวยก็เป็นเรื่องของมันเราก็ดูมันไปวิธีนี้แหละที่ทำให้สติความสึกตัวเนี่ยเติบกล้าขึ้นมันเติบกล้ามันแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอยากมันไม่ได้ดันหน้าความอยากของเราแต่เพราะว่าเราให้โอกาสบางทีเราก็เรียกว่าฝึกจิตให้มีสติแต่ถ้าพูดถึงการปฏิบัติจริงๆก็คือการเปิดโอกาสให้มัน ได้ทำงานของมันจกนกระทั่งมันเข้มแข็งเหมือนต้นไม้เนี่ยนะ เ, เราก็ความแข็งแรงหรือการเติบโตเนี่ยเป็นเรื่องของต้นไม้หน้าที่เราก็เพียงแต่แค่ใส่ปุ๋ยบารุดงดินแต่การเติบโตให้ดอกให้ผลเนี่ยเป็นเรื่องของเขาไม่อยู่ในอำนาจของเรา